บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งคำถามของท่านมาครับท่านโมคราชานพที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้านั้นได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเฝ้าเพื่อ ประสงค์ปัญหาว่าาพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือจะมองไม่เห็นได้แก่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายต่อไปยังได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าปัญหาของมนุษย์ทั้งส6บกท่านนั้น เป็นคำถามของท่านที่ผ่านขั้นตอนการประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับมาอยู่ในชั้นของฌานของสมาธิจุดมุ่งหมายในโอกาสต่อไปของท่านก็คือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงลักษณะคำถามจึงมีเ ป, ป้าหมายสุดยอดอยู่ที่อรหัสตที่บาลีท่านใช้คำว่ามีพระอรหัสตเป็นยอด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในการศึกษาและในการปฏิบัติแต่ว่าในขณะเดียวกันการเดินทางไปสู่จุดสุดยอดของอะไรก็ตา ม, มก็มีขั้นตอนในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติและในการดำเนินไปบนเส้นทางที่บุคคลดำเนินไปนั้นก็จะประสบผล เป็นความสุขความเจริญตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเรื่องทั้งหมดจึงมีจุดเริ่มต้นจึงได้มีจุดเบื้องปลายปริยายเรื่องของโลกในพระพุทธศาสนานั้นจะมีการจำแนกสดแสดงออกไปโดยนัยะต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายที่ ประกอบกันขึ้นโดยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นสรุปรวมเรียกว่าโลกทั้กตอนนี้บางครั้งจะพบพระพุทธดํรรัสที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามันหยัดโลกการเกิดขึ้นของโลกความดับแห่งโลกแล้วก็ปฏิบัติให้ถงึงซึ่งความดับแห่งโลก ที่สกลกายมีความยาวประมาณวานหนึ่งมีความกว้างประมาณกมาณหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้พระพุทธธรรมด์ข้อนี้เป็นการเน้นถึงหลักอริยสัจให้บุคคลเรียนรู้หาความเข้าใจจากตนเองเป็นพื้นฐานเบื้องตน้นแล้วถือว่าโลกทั้งหมวนั้นสรุปรวมอยู่ที่คน พระองค์ประกอบของโลกทั้งหมดนั้นมีอยู่แล้วที่คนและบางอย่างที่โลกซึ่งบุคคลอาศัยอยู่ไม่มีที่คนกลับมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจแต่โดยประยายหนึ่งก็ทรงแสดงเป็นการจำแนกประเภทของโลกโดยสรุปเอาไว้ว่าโอกาสสโลก โลกนันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทวาโลกทั้งหลายจำแนกแสดงออกไปเป็นโลกนี้กับโลกอื่นคำว่าโลกนี้ก็คือโลกที่เราอาศัยอยู่และโลกอื่นก็คืออื่นจากโลกนี้และบางครั้งในกรณีของโลกอื่นนั่นเองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีพระประสงค์จะทรงสดแสดงเพื่อประกอบการ ศึกษาและการปฏิบ <Thank you. S 1> ัติธรรมของบุคคลเหรานั้นจนท่านสามารถมองเห็นความไม่มีที่สิ้นสุดของโลกก็จะมีการจำแนกแสดงไปในแนวของจักรวาลวิทยาโดยทรงใช้คำว่ามีแสนโลกธาตุหรือแสนโกดจักรวาลหรืออสงไขจักรวาลเป็นต้น เป็นการใช้ถ้อยคาไม่เห็นว่าจั ก, กรวาลทั้งหลายนั้นไม่มีใครสามารถนับออกมาเป็นตัวเลขได้เป็นแสนกดจักรวาลหรืออนันต์จั ก, กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดการเที่ยวไปในจั ก, กรวาลทั้งหลายนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุด่ในที่สุดก็จะมาสรุปรวมไม่เห็นว่าบรรดาจั ก, กรวาลเหล่านั้นจะมีความประณีตอย่างไรก็ตาม ที่จำแนกเป็นความสุขสองชั้นเรียกว่าการที่เป็นของมนุษย์หรือว่าการที่เป็นทิพย์คือจะเป็นทิพย์หรือจะเป็นมนุษย์ก็ตามที่จริงแล้วก็ตกอยู่ในสังคตรลักษณะคือจะมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนด้วยตัวของมันเองบ้างด้วยปัจจัยภายนอกบ้าง และบางครั้งก็มาประกอบกันทั้งปัจจัยภายในและภายนอกแต่ตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพื่อบุคคลเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในโลกดังที่รับสั่งแสดงโลกัศน์คือการมองโลกของคนในโลกนี้ ตึงก็หมายความว่าโลกอย่างเดียวกันแต่ผู้มองมีพื้นฐานในด้านจิตใจที่แตกต่างกันความรู้โลกการเข้าใจโลกของบุคคลล่านั้นจึงมีความแตกต่างกันตามพื้นฐานบางคนอาจจะได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากโลกแต่ในขณะเดียวกันคนเป็นจำนวนมากต้องเดือดร้อนเพราะโลก การที่ทรงแสดงไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดรดาชรดที่คนเคราข้องอยู่แต่ผู้รู้ไม่ข้องจุวันนี้เป็นการชี้เห็นว่าในจุดเดียวกันนั่นเองในกรณีนี้ก็ทรงสอนมองในแนวจุดใหญ่คือโลกทั้งมวลคนที่อยู่ในโลกนี้ก็สามารถจำแนกออกไปเป็นสองประเภท ใหญ่ๆด้วยกันดิวยหน้าการมองโลกโลกนั้นแกเป็นอย่างไรแก่ก็เป็นอย่างที่แกเป็นแต่พื้นฐานใจของบุคคลที่อยู่ในโลกและมองโลกนั้นมีความแตกต่างกันโดยเงื่อนไขาภายในใจของเขาที่สรุปรวมเป็นรู้กับไม่รู้ แต่รู้ในความหมายที่ทรงแสดงนั้นหมายถึงความรู้เห็นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในชั้นเบื้องต้นของการป ร, ระพฤติปฏิบัตินั้นอาจจะเรียกว่าปัญญาอาจจะเรียกวิปัสสนาอาจจะเรียกวิชาเรียกว่าแสงสว่างหรือเรียกวิญญาณอะไรก็ตามแต่ความรู้ที่ จะก่ให้เกิดเป็นความรู้ที่แท้จริงนั้นทรงใช้คำว่าสัมมปัญญาที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามความจริงคือความจริงที่แท้จริงในโลกมีอยู่เป็นอยู่อย่างไรก็เห็นจริงตามนั้นก็ทำนองเรื่องสามัญธรรมดาทั่วไปที่ก่อให้เกิดเป็นสัจจะวาจาหรือว่าจีสัจจะ หมายความว่าถ้าสีดําก็บอกว่าสีดําสีแดงก็พูดว่าสีแดงคนมากก็บอกว่ามากคนน้อยก็บอกว่าน้อยนั้นก็กลายเป็นสัจจะคือวิจีตรสัจจะเราพูดจริงตามนั้นแต่ในกรณีนี้จะเป็นการตัดสินตามประสาทสัมผัสแต่นั้นท่านจึงเรียกว่าสมมติสัจจะคืออ จ, จะจริงที่แท้จริงก็ได้ไม่จริงอย่างแท้จริงก็ได้แต่ว่าเราเห็นด้วยตาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น ได้ยินด้วยหูอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็พูดเท่านั้นเท่าที่ได้เห็นได้ยินหรือแม้แต่สูตรดมกลิน่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องมาอย่างไรก็พูดไปเท่านั้นแต่ถ้ามองในแง่ของปัญญาที่สมบูรณ์อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเช่นในกรณีการพูดถึงคนคนบางคนในกลุ่มนั้นเองแต่เราอาจจะไม่เห็นเราจึงไม่ได้พูดถึง แสดงว่าถ้าตัดสินด้วยสายตาก็เป็นเรื่องถูกต้องเป็นสัจจวิจาแต่ถ้าตัดสินใ น, ในรายละเอียดลงไปก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะยังมีคนบางคนที่เราไม่เห็นเราไม่ได้พูดถึงในชั้นศีลจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรเพราะเป็นการตัดสินด้วยประสาทสัมผัสหคือตาหูจมูกดินกาย แต่ในที่นี้เป็นการตัดสินด้วยใจที่อาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจิจนามองตลอดหัวตลอดหางคือมองจะจุดเกิดถึงจุดดับของสิ่งเหล่านั้นเป็นการมองอย่างต่อเนื่องคือแนบติดมาจากจุดเกิดถึงจุดดับบุคคลก็จะมองเห็นความจริงอีกระดับหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นอย่างที่คนเข้าใจว่ามันเป็นพอใบขึ้นยืนในจุดนี้จะมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเ ป, เป็นวินยูชนก็รู้เหตุรู้ผลแล้วมองเด็กเล่นตุ๊กตาสนุกสนานกันด้วยตุ๊กตาหัวเราะร้องไห้กับด้วยตุ๊กตาด้วยความสงสารและเอ็นดูเด็กเหล่านั้น ที่กรหลงผิดเข้าใจผิดอยู่ในตุ ก, กตาแต่สำหรับเด็กก็ถือว่าเป็นความถูกต้องสำหรับเด็กแต่นั้นความรู้ความเห็นของท่านผู้รู้ที่มองโลกในแง่ที่เป็นจริงจึงเห็นว่าที่จริงแล้วโลกนั้นเป็นเพียงสังขารธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่ง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเยี่ยงสังขารทั้งหลายไม่เอาเราหรือของเกี่ยวเนื่องด้วยเราเข้าไปปลูกพันในสิ่งเหล่านั้นในกรณีของการเกี่ยวเนื่องด้วยเราไม่ว่าบ้านเราเมืองเราอะไรก็ตามในแง่สมมติก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ในแง่ความจริงที่แท้จริงนั้นท่านก็รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ แล้วเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นลักษณะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั้นพึงสังเกตว่าที่จริงก็ทรงเริ่มต้นมาตั้งแต่พื้นพื้ น, นระดับทานระดับศีลมาแล้วแต่มันคลายได้ขนาดไหนคลายด้วยปัญญาเป็นเครื่องปีนิพิจารณาบางอย่างเห็นว่าถ้าสละไปได้มีประโยชน์มากกว่าคนก็สละกลายเป็นทานกลายเป็นยาขะขึ้นมา บางทีปัญญาสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบเคียงระหว่างสิ่งสองสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยกันแล้วก็ยึดถือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าทางนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่สละไปไม่มีประโยชน์แต่เห็นว่ามีสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าชีวิตเราก็อยู่ช่วงสั้นๆจะไปเอาใตทุกอย่างมันก็ทำไม่ได้คันจะเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าเรื่อยไป ใ น, นลักษณะความคิดเช่นนี้ก็จึงได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตว ร, รู้ไว้เลือกเอาการเป็นพระพุทธเจ้าแทนที่จะเอาการเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิในกรณีนี้เพิ่งสังเกตว่ามันก็ดีด้วยกันแต่ว่าการเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าประเสริฐกว่าทั้งพระองค์ก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลือกเอาการเป็นพระพุทธเจ้า ทีนี้ในการมองที่ลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางใจที่ท่านเรียงไว้ในจุดหนึ่งที่จริงลักษณะความเปลี่ยนอย่างนี้ก็คงจะเคยได้ยินที่เรียกว่ายานสิบหกพานสิบหกก็เรียงลงมาโดยลาดับในจุดหนึ่งทเรียกว่าเกิดเบื่อนหน่ายพอเบื่อนหน่ายแล้วก็คลายกําหนัด พอคลายกำหนัดจิตจะเริ่มถ่ายถอนจอากความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไปโดยลําดับแต่นั้นธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เพิ่มความรู้ไปโดยลําดับและจะมีการถ่ายถอนผ่อนคลายความยึดความติดในสิ่งต่างๆออกไปโดยลําดับจนกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลก แต่ไม่มีความรู้สึกว่าตนและเกี่ยวเนื่องด้วยตนในโลกเพราะฉนั้นจึงไม่หวั่นไหวไปตามนัดของโลกไม่ฟูขึ้นพุบลงเพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะการฟูขึ้นพุบลงของจิตใจนั้นจะอาศัยตนกับเกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายความอะไรก็ตามที่บุคคลไปมีความรู้สึกว่าตนหรือเกี่ยวเนื่องด้วยตน หรือว่าเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราเช่นว่าตัวเราญาติพี่น้องของเราทรัพย์สมบัติของเราฐานะของเราตำแหน่งของเราเกียรคุณของเราอะไรของเราของเราที่เกี่ยวเนื่องกับเราใจของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงถ้าเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราจะคิดว่าดีไปกาหนดว่าดีก็เกิดสุขถ้าไปไม่ดีก็เกิดทุกข์ ดันั้นคนจึงขึ้นขึ้ น, นลงลงระหว่างสุขทุกข์แต่บัณฑิตจึงได้มองเห็นโลกในแง่ของความเป็นจริงด้วยวิปัสนาปัญญาจึงก็ถ่ายถอนความรู้สึกว่าเป็นเรากับเป็นของเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราออกไปได้บาลีตนญช้คคำสั้นๆว่าอัตตาอัตตนิยาอัตตาก็คือตนอัตตนิยาก็คื อ, คอเกี่ยวเนื่องด้วยตน ถ้าไม่เกี่ยวเนื่องด้วยตนก็ไม่มีปัญหาอะไรคนอาจจะตายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้แต่ถ้าใจเราไม่รู้สึกว่าเกี่ยวเนื่องด้วยเราก็ไม่สุขหรือไม่ดีใจคือไม่มีทั้งทั้งดีใจทั้งเสียใจในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียใจหรือดีใจนั้นจะต้องมีความรู้สึกว่าเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราในด้านใดด้านหนึ่งถ้าด้านไม่ดีคนสัตว์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรา มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็เกิดทุกข์พริษยาหรือว่าเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ต่ําลงเราก็เกิดสะใจเกิดยินดีในความพิบัติเดือดร้อนของศัตรูแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเป็นที่รักใคร่พอใจของเราพอสิ่งนั้นจเจริญขึ้นเราก็ดีใจพอสิ่งนั้นเสื่อมลงเราก็เสียใจ เพงจะสังเกตได้ว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นวินิจฉัยนั้นน้อยมีความรู้สึกสับสนคนที่เราเราไม่ชอบประสบความเจริญเราเกิดเสียใจแต่คนที่เราชอบประสบความเจริญเราเกิดดีใจเห็นว่ากรณีเดียวกันกรณีคือมีความเจริญด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่พอดีคนที่มีความเจริญนั้นเรากําหนดเกี่ยวเนื่องโดยเราไม่เหมือนกันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจไม่เหมือนกันเพราะในกรณีประสบความพิบัติก็มีลับธนาเช่นเดียวกันถ้าคนที่เรากําหนดว่าเป็นศัตรูกเราประสบความพิบัติเราเกิดดีใจแต่พอกําหนดว่าญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราประสบความพิบัติเราเกิดเสียใจคนประสบความพิบัติด้วยกันแต่ใจคนไปกําหนดยึดถือคนในฐานะที่ต่างกัน ความเปลี่ยนแปลงทางใจจึงไม่เหมือนกันดังนั้นจรงใช้คำว่าแสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงกับสิ่งที่เราชอบบ้างสิ่งที่เราชั ง, ชงบ้างกระสุบบ้างกระทุกบ้างทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนั้นแสดงอาการถึงความไม่รู้หรือความคล้องความติดที่ทรงแสดงว่าคนไม่รู้ก็คล้องอยู่ ก็าจิตอยู่ในเรื่องโลกเดือดร้อนอยู่กับโลกเป็นทุกข์กับโลกเป็นสุขอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกบางครั้งบางค ร, ราวในกรณีที่มืดมากเกินไปก็จะท่งสอนให้คนมองโลกในแง่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เป็นการใช้ชีวิตไปในลักษณะประมาทก็ส่งสอน กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สนุกเพลิดเพลินด้วยการดื่มการลิ้มเพื่อใบายาพวกต่างๆในสังชียเห็นว่าพวกเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลิน ร, รื่นเรงอะไรกันจูในเมื่อโลกนี้ลุกโผลุกโพรงอยู่เป็นนิดพวกเธอพวกเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้ทำไมไม่หาประที่เป็นเครื่องสองทางชีวิต ซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่ในโลกประเภทยึดจิดหรือหวั่นไหวไปกับโลกนั้นก็จะเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆจิตใจก็ลุกโพร่ด้วยเพลิงกิเลสบ้างเพลิงทุกข์บ้างแต่เพลิงสําคัญก็คือเพลิงกิเลสเพลิงราคะเพลิงโลภะเพลิงโทสะเพลิงโมหะเพราะล่นจิตใจของบุคคลก็เกิดการกําหนดอารมณ์ในลักษณะต่างๆคือชอบปังฉังบ้าง จิตใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ชอบและอารมณ์ชังในสิ่งนั้นๆดังนั้นจึงทรงสอนให้หาประชีพรือปัญญาเป็นเครื่องส่องโลกนั่นเองไพเห็นโลกในแง่ที่มันเป็นจริงชัดเจนมากทิ่กุนซึ่งข้อ น, นี้ได้มีพญามารมากราบทูลพระพุทธเจ้า เป็นทํานองที่จะให้คนหลงไปตามอานาจของมารว่าชีวิตนี้เป็นของยั่งยืนหนักคนไม่ควรคิดว่าชีวิตนี้มีอายุน้อยเมื่อชีวิตยืนยาวเช่นนี้ก็ให้ใช้ชีวิตไปเหมือนเด็กนอนอยู่ในเบาะเพื่อพระพระุทธเจ้าทรงสแสดงว่าชีวิตนี้น้อยนักบุคคลควรดูหมิ่นชีวิตนี้ พอเป็นของเล็กน้อยและใช้ชีวิตเหมือนคนที่มีใครเอาไฟมาวางมาบนหัวก็รีบปัดออกเลยใหญ่ลูกไม้เกินไปกอ น, นี้จะเห็นได้ว่าโลกโลกเดียวกันนั่นเ็งมารก็มองอีกแนวหนึ่งพระก็มองอีกแนวหนึ่งกับพระพุทธเจา้าท่านมองอีกแนวหนึ่งปัญหาสำคัญว่าอะไรคือความจริง ภูม ผ, ผู้มีปัญญาพิจารณาจะเห็นว่าพระวุทธดำรัดนั้นเป็นความจริงชีวิตนี้สั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายเกิดมาแล้วจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้เป็นอวิชชาสำหรับทุทกๆชีวิตแต่ก็เป็นความเชื่องแท้แน่นอนของทุกชีวิตว่าต้องตายจนจะตายเมื่อไร่ไม่มีใครจะรู้ได้ เพระฉะนันพระเจ้าจึงส่งสอนให้รู้ความจริงของชีวิตนี่มันน้อยถึงแม้จะยืนถึงร้อยมันก็อาจจะมากสําหรับคนแต่เมื่อเทียบกับชีวิตของคนอื่นก็น้อยคล้ายๆกับเอากระต๊อบไปเทียกบกระเราะหัดหรือแต่กระต๊อบวางอยู่เฉยๆก็รู้สึกมันใหญ่ดีแต่ไปเทียกบกระเราะหัดมันก็เล็กอายุ ข, ของมนุษย์จึงส่งสอนให้มองในแง่น้อย แต่ใช้ชีวิตไปในลักษณะเหมือนคนมีความรู้สึกว่าไฟมันลุกไหม้อยู่บนสีรษะคนที่มีความรู้สึกได้อย่างนี้ต้องพยายามดับไฟเพื่อให้เกิดความสุขความเยือกเยึกเย็นขึ้นในชีวิตของตนเป็นการพลิกโลกขึ้นมามองอีกด้านเป็นจริงในลักษณะที่เจาะลึกหรือว่าอาจจะพลิกขึ้นมาในแง่ที่เป็นจริงก็ได้ เพื่ออะไรเพื่อจะไม่ติดไม่ค่องอยู่ในโลกเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดแม่ในการดำรงชีวิตประจำวันคือไม่ควรคิดว่านี่เป็นเรื่องของการเข้าวัดพังทำจาศีลเข้าป่าไปเลยต้องบรรลุมรรคผลไปเลยที่จริงนั้นการเข้าถึงความจริงในทุกขั้นตอนของการดารงชีวิตเรื่องอะไรก็ตามที่เรารู้จริงมากยิ่งขึ้นคือเอาความรู้เข้าไปกากับ ก็ไปกำหนดหมายก็ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งนั้นนั้นให้มากยิ่งข้นความระมัดระวังก็จะเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะพลั้งพลาดสูญหายก็จะน้อยลงมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับคนที่เดินถือของรั้วของนี้จะแตกง่าย กับคนไม่รู้ว่าของนี้แตกง่ายการถือของของบุคคลทั้งสองฝ่ายจะแตกต่างกันสติสัมปชัญญะความพยายามการระมัดระวังในการนำของนั้นไปจะไม่เหมือนกันแต่นั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองโลกคือสกุลกายในแง่ที่เป็นภาชนะดินภาชนะดินซึ่งคนจะต้องนำไป ด้วยความระมัดระวังและแน่นอนต้องแตกแตกในที่ใดที่หนึ่งแต่ในขณะที่นำพาไปนั้นให้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากพาชนะดินเหล่านั้นให้มากนั้นในช่วงของศีลธรรมจัญญาแต่ในช่วงที่จะศึกษาหาความเข้าใจก็จะสอนในแนวที่ให้มองในแง่ของความจริงอย่างแท้จริงของชีวิตมเมื่อนกับภาชนะดินต้องแตก แต่ถ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เป็นเราหรือเกี่ยวเนื่องกับเราในแง่ของภาชนะดินจิตใจก็จะฟูขึ้นพูปลงน้อยลงเวลาภาชนะดินแตกเช่นการเสื่อมสลายการแตกทำลายการพรากจากความสูญเสียในด้านต่างๆอาจจะเกิดขึ้นกับความตายอาจจะโรคภยัยหรืออาจจะปัจจัยภายนอกหรือการกระทากับตนเองหรือการกระทาของบุคคลอื่น หรือสองอย่างประกอบกันก็ตามความทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยลงดังนั้นพระธรรมเทศนาที่ส่งสอนจึงเป็นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องโลกเพื่อจะอย่างน้อยที่สุดได้รู้เท่าทันตามความจริงทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิตจะยอมรับได้ขนาดไหนจะลึกซึ้งได้ขนาดไหน บุคลคลได้รับผลเป็นความสุขความสงบในขั้นนั้นๆแต่โลกมันก็คงเป็นโลกอยู่นั่นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนมองมีพื้นฐานสติปัญญาที่แตกต่างกันคนที่มองด้วยความยึดความถือก็จะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับโลกตลอดไปแต่คนที่มองในแง่ของความเป็นจริงคือผู้รู้ อย่างพระริเจ้าทั้งหลายหรือแม้ท่านที่เรียกว่าวินยุชนหรือบัณฑิตที่จริงท่านเหล่านี้ก็เป็นระดับสามัญชนทั่ ว, วไปเพียงแต่ว่าปัญญาเห็นประจักษ์ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าปกติท่านก็อยู่ในโลกด้วยความเดือดร้อนน้อยกว่าคนทั่วๆไปในขณะที่คนทั้งหลายโศก บางเรื่องท่านอาจจะสโกด้วยหรือสสดน้อยบางเรื่องอาจจะไม่สสดแม้จะ ก, การกาหนดหมายในลักษณะเดียวกันครนี้พึงดูตัวอย่างเช่น ว, ว่าประชาชนคนที่รักจากไปเหมือนกันคนบางคนโสกบางคนไม่โสกบางคนโสกมากบางคนโสดน้อยบางคนเอาเป็นบทเรียนของชีวิตที่จะทำตนเองไม่มัวเมาประมาท เพื่อนผูด้วยกันอายุอนามใกล้เคียงกันตอนนี้ก็ก็ตายแล้วเราก็คงไม่เท่าไรจะตายก็ทําให้รีบเร่งวรขวนขวายที่จะเพิ่มพูนความดีจนพร้อมที่จะตายหรือไม่กลัวไม่กลัวประโลกอย่างที่ทรงแสดงไว้นั่นก็คือการรู้เห็นโลกในแง่ความจริงที่เป็นชั้นการดรํารงชีวิตก็จะช่วยให้บุคคลได้รับความสุขความสงบภายในจิตใจ แต่ถึงก็รรู้ที่สมบูรณ์อย่างที่ทรงแสดงไว้ในพุทธภาสิตธจริงๆก็จะทำให้บุคคลลอยตัวอยู่เหนือสุขจริงๆต่างๆแต่ไม่ใช่ลอยตัวในลักษณะไม่รับรู้อะไรข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าธรรมะปฏิบัติมีสองชั้นชั้นธรรมะก็คือชั้นธรรมะและชั้นวินัยก็คือชั้นวินัย ยังมีปัญหาเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีความยึดถืออะไรแต่เรื่องวินยัยจะต้องมีการลงโทษมีการมีการตหนิมีการบัญญัติมีการห้ามปรามตามลักษณะของการบริหารแต่ปัญหาเหล่านั้นไม่ตกค้างอยู่ภายในใจไม่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความมิตกกังวลภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าอย่างที่เกิดแก่คนทั้งหลายทั่วไปดังการอยู่ในโลกด้วยความรู้เป็นวิถีทางของ พุทธเจ้าของพุท ธ, ธะทั้งหลายคือท่านผุรู้ทั้งหลายที่จะรับความสุขจากโลกได้เพิ่มขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อตอนนี้ไปกับพลอยตั้งใจทำความสขบสืบต่อไป